ว่าฝนตกไม่เนี่ยโดยมากหลวงพ่อม่แต่แนะนํำให้ชาวบ้านปลูกตะคงปลูกตะไคร่ปลูกตะไคร่หล่อๆกำแพงนะยุจักตะกิดบ่ได้เนยามันละเพื่อนค่าปลูกปลูกปลูก ป, กปกลุกรอๆหัวหล่อกำแพงไปทั้งในมะคงเชื่อน หมักฮงกับขี้ขานปลูกในชาวบ้านแต่ว่าอาหารลักปลูกขึ้นมาเลยดอกพระท่านรุดออกจากกลนผมพากันขึ้นสีต่ำแล้วนะป่าวันแล้วก็กขี้ขานปลูกตามไม่จริงต่างคนต่างปลูกมันก็บปวสัสีอยากสีซ่ายอย่ า, างหมักงปลูกหมๆกงแต่พาปลูกขูเมเอ๋อในมีเทคนิคได้สักหน่อย คุดหลุมลงไปเลยก็ใส่ปุ๋ยไว้เลทั้งพื้นล่องพื้นไว้เนะยมันลงไปเลยให้มันได้กินปุ๋ยวน่อไปมันก็นขืนงอกงา่ามบวกคือตะกอนตะกอนมันดินมันมีปุ๋ยปลูกขึ้นมาคมงได้เกิดปลูกในจอมปวกพ่นให้พ่นหน้ากันโอ้กินเมไหวเหลืองอลาําตะกอนะแต่คู่มือเนี่ยโอ้พอไปมาเนายไปซื้อกินในตลาด หน่วยนึงก็แพงอีกต่างหากพอต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างบังเจ้าของมันกับไขยอยู่มันโมหยา่างโมซาที่ดินของเขามีทั้งเยอะแยะไปแต่ไครเหมืนเดียกันปลูกมองเห็นโอ้กองอายะอยู่ปลูกสักสามสีก่อก็เหลือกินแหละแต่หลอกขอบพั่วเนี่คาแค่กันสามสีก่อเ น, นี่ยก็สำหรับ ใส่กุ้งใส่แกงใส่ยังคือได้ปลูกทิมไว้หันหมักผิกหมักเขื่อนมาเนะ่ะปลูกปลูกทิมทิมไว้ย้ำในยูด้กนินก็ได้ใส่ได้บาดถ้าเจ้าของพันกี่ข่านปลูกบาดแล้วไปขอผู้อื่นบาดเนี่ยผู้อื่นเขาก็แพ่งขึ้นกันเนี่ยเขาก็หวงขึ้นกันของเขาเขาปลูกขึ้นมา ผูนั้นก็มาขอผูนี้ก็มาขอเขาก็บ่อยากให้่อนไปพอไปขอเขาดูไรเขาบ่อยากให้ปัญหาของเขาขีดทีได้กว่าไหขอเท่านี้เขาไม่ได้มื่อขีทีผ่นมาเยไปบอกให้เขาบาหาเจ้าของขีคามันบ่เบิ่งมาเ้ยบาหาจเจ้าของขีคาดุ่เบ่งเจ้าของ่นไปหรือมามันเห็นโทษผู้อื่นทังสัตกินเลส กิเลสมันเห็นโทษเห็นแต่โทษผู้อื่นคนไปโทษเจ้าของบ่เคยเห็นไอเจ้าของขี่คานบวา่วา่ามันไปว่าถ้าเขาขี่ทีคนไปเจ้าของขี่คานปลกูกอยู่ปลูกกินเน่ะมันบ่เบิง่งมันบ่คืดเจ้าของกินกอยู่คู้มือเป็นอย่างบ่ปลกูกบ่ปลกูกอยู่ปลูกกินไอหาเขาปลูกแลยก็ซอไปขอเขาใหา้ย่ำเขาว่าไหเพราะว่าเขาขี่ทีไนะมันเป็นอยงนั่นแหะเพราะนั้นเบิ่ง ขั้นข้นเบื้องจบของมันเห็นเลยขั้นบมเบื้องจบของโมเห็นเนาะขั้นเบื้องย้อนบอเบื้องจบของอ ก, กูนี่ขี่ขานไปกูก็มีไม่มีมือที่ดินก็มีอยู่เป็นอยังกูโบผูกอยู่ผูกกินขัน้นธรรมูุจักป์กูกวุจักฝังกินเน่ะบุ้ยประหยากหมักมีหมักม่วงบห ม, กยยบกมกักลำไยหมักยางปลูกเด็กพัดน่ะขั้นหมักลํำไ ย, ยมันลาย ล, ายลายก็เ อ, อืปอปลูกพวกม่วงเสร็จคราไปในสักสองสามตน เออหมักมีเข้าไปได้สองสามต้นหมักไม่อยังที่เป็นตะกินกับปลูกปูกไซส์สลับกันไปในทีของเจ้าของว่าท่านแล้วมี่ยมหมักมีมา ก, กินหมักมีมกักแ่มหมักงวงกินหมักมงวงหมักลำไง่กินหมักลำไง่ข้าหลวจักพัฒนาชีวิตของเจ้าของชีวิตกร่ลมเย็นเป็นสุขกันด้ แก้ปัญหาเฉพาะนาไปเป็นเปา ะ, ะไปวัมนไปคือกันกับเนียมันหิวกันมีเน่ากินหมดนี่ยมันห่อนกันมีนม้ำอาบเนียมันหนาวก็มีไฟฟิงค่ะแก้ปัญหาเฉพาะหนาไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามทึงจิแก้ปัญอย่ไรก็ตามแก้ไปแก้ไปก็ถึงจุดจบของชีวิตคือกันเพียงแต่ว่าขณะที่มีชีวิตอยู่น่ะครัให้ได้รับความสะดวกสบายบ้าง แต่จะให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดเป็นอนันต์ตะการไปนะี่บมันก็คงจะเป็นไปจังสันบุริย์ขึ้นกันเพราะว่าสาระของชีวิตที่แท้จริงนั้นคืออะไรเนะี่ยคนหาอ่ะสาระของชีวิตที่แท้จริงนั้นคืออย่างคนหาหลดว่าไ ป, ไปในจกกักรวาลเนี่ยบอเจ อ, อ สี่สาระของชีวิตคั้นโมคุณของมหาตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขั้นคนตามแนวทางความคิดของพระพุทธเจ้านะ่ยจะเจอสาระของชีวิตเอเจอครับเจ้าของเองสาระของชีวิตของสาระของมนุษย์ของชีวิตมนุษยน์นั่นคืออย่างนะ มันออกไปจากใจมัดใจเป็นไงใจเป็นหัวหนา้าตัวนี้เป็นเจ้ากี้เจ้าการของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงคานาวะห้าคนมหาโตนิคนเขามหาใจนะั่นแหะจะเห็นจะเห็นสาระของชีวิตที่แท้จริงคืออย่างออกไปจากใจของห้าและจะปรับปรุงแก้ไขใจของหัวจังไดบ้าง น, นี่แหละเท่านต้องเรียนต้องศึกษา ต้องหาวิธีต้องเลี่ยนตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าเพิ่นไปคน้นคว้าในป่าน่ยออกไปบวชทั้งหกปีน่ยเพิ่นไปค้นคว้าของสาระของชีวิตเนี่ยนะดูหกปี บ, นนบัแล้วเพิ่นค้นพบแล้วเพิ่นค้นพบจังไดเพิ่นได้จังใดนั่นแหละเพิ่นมาออกมาเผยแผ่ตีแพ่ให้พวกเข้า เขียนแผนทีให้พวกเข้าเนี่ยวันดูในพระไตรปิฎกนั่นะให้ศึกษาบัดเนี่ศึกษากเบื้องต้นเก็คขึ้นอย่างดิที่พระพุทธเจ้าเน้นนักแท้เกิดขึนศีลสมาธิปัญญาสำหรับพระสาหรับศรัทธาญาติโยมกอท่านศีลภาวนาเข้าคนมัองเอกบัดเนี่ยเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเจึงว่าให้ท่านนะมันมีประโยชน์อ้เนี่ย ท่านมันคือการเสียสละเป็นของเอาของไอ้ผู้อื่นเน่ยมันมีประโยชน์จยางเนี่แต่ในห้องก็ต้องคนคว้าเหตุผลเข้าไปอีกท่านมีประโยชน์จนังไรศีลมีประโยชน์จนังไรภาวนามีประโยชน์จังไรเนี่ยทั้งฝ่ายพระที่กันพระพุทธเจ้าเป็นอยัางคารวะาเป็นยังว่ามีท่านศีลภาวนาสําหรับพระเป็นอย่างมีแต่ศีลสมาธิปัญญาเพราะเหตุใด อันนี้ก็มาโขนควายเป็นอย่างพ่าเพื่อยังไงรักษาศีลเนี่ยสมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาของผ่านี่ปัญญาจังไรปัญญาที่พระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะปัญญาเนี่ยหมากไหม้กายก่องเลอะเกินเนีปัญญาเฮ็ดขนมเส่นปัญญาเฮ็ดเขาลดซ่องบหมดปัญญาปลูกไม้ปัญญาปลูกหมากไหม้แต่ละย่างปัญญาเฮ็ด เครื่องจักเครื่องยอนต์ปัญญาเฮ็ด บ, บัญชงบัญชีปัญญาการเรียนการศึกษากระนิตวิทยาภาษาอังกฤษล้วนแล้วแต่ปัญญาทั้งขั้นโงเฮ็ดบ่ได้แล้วปัญญาที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านี่ยคืออย่างก็ต้องศึกษาอีกเจาะหาแนวทางอีกที่พระพุทธเจ้าที่ไปค้นควายุหกปีอยู่ในปานปัญญาของพระพุทธเจ้าจุดนั้น พระพุทธเจ้าเล่นจุดใดปัญญาตัวนั้นนี่แหละปัญญาเนี่ยมีหลายกว้างขวางมากเลยม า, มาพูดถึงเรื่องปัญญาต้องศึกษาปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยปัญญาที่จะเอารุดพ้นจากกิเลสราคะโทษสะโมหันเป็นปัญญาจังใดเรื่องศีลยังอยู่ในกรอบอยู่ศีลก็คือรักษากายว่าจาบ่อยมิโทษอันนี้มิกรอบตีกรอบอยป哟 มีสักอย่างพ่อจะว่ากันไดคือจังใดพูดจังใดยังพิษมันพูดอย่างไรมันพิษทำอย่างไรมันพิษเนี่ยอันนี้คื อ, อยู่ในกรอบเอาเจ้าของเขาว่าขันภาวะเจ้ า, จาของเหตุมันบ่ถูกเหตดใช้ผู้อื่นบ่ถูกผู้อื่นเหตุให้เข้ากักบบ่ถูกอันนั่นแหละแปลว่าพิษพิษสินละ่ะอ่าเข้าไปด่าเขาเขามาด่าเขา้าเข้าไปอย่างไรมีความรู้สึกจังไหร สิน ค, คือการอยู่ร่วมกันรักษากายไหว้ย า, าให้เรียบร้อยบให้าามิโทษนะสมาธิเนี่ตาายตีเกาะให้คิดบ่ให้คิดจิตใจให้ป๋งฟุ่งสั่นคิดป่มมที่ยุดที่ยับยัง้งคิดเออละเหยลอยล่งคิดป๋งฟุ่งสั่นเอาไปมาเป็นบาได้เพราะมันคิดมากอันนี้การที่ปุ่งสังส้น พอดีพขาพูดธเจ้าพูดว่าต้องให้มาอยู่ในสมาธิเนี่ยให้จิตเป็นหนึ่งไว้ให้มีความมีสติอยู่กับเจ้าของไว้ขั้นบังคับสติอยู่กับเจ้าของแล้ว น, นั่นล่ะเออบอกเป็นบ้าละ่ะคิดยังดงดงย้งกัได้พิจารณายั้งก็ได้เบิ่งยั้งก็ออกเพราสติอยู่กับเจ้าของอจิตใจโบลุ่นเล่จิตใจบบฝุ่นสานจิตใจโ บ, บเออระเฮย บางคนเขานั่งมือรอยไปไอ้พ่อเขามาเจ้าตบหลังป๊บสะดุ้งเหือกเลยไปสติกับมหาเจ้าของในขณะที่นั่งจจิตใจมันล้อยจะไม่ร้อยไปใส่กระปุกหูไปนั่นแหละจิตใจมันล้อยไอ้จิตใจผู้อยู่กับเจ้าของพ่อเขาตบป๊บตบมือตบอยังเลยสะดุ้งเหือกเลยอัา น, นั้นแปลว่าใจมันล้อยใจบูอยู่กับเจ้าของ เพือเผือเป็นบ้าอะไง่ายๆอย่างนั้นใจพยูยุกับเจ้าของใจมันร่อยเพราะด้านในใจยุกับเจ้าของมีสติอยู่ตลอดขอกแขกยังก็งหูจักเขาบอเน้่ยเอาหูจักบอพิดเบ้าถือก็ะหูจักเจ้าของเื่อนไว้จะได้ก็ะหูจักภูจังซีมอมีทางที่เป็นบ้าเอาไปสติสมบูรณ์สติยู่กับเจ้าของนี่แหละอันนี้เป็นว่าสมาธัธิสติยู่กับเจ้าของเป็นสมาทิฏฐิแล้ว แต่เมื่อมีสมาธิแล้วบาณนิตปัญญาบาณฑิตนั่นแหละตัวปัญญาที่ว่าเนี่นะเอ่อกว้างขวางเลอะเกินตัวเนี้ยตัวปัญญาอแต่ปัญญาธรรมมาหาเลี่ยงฉีบปัญญาธรรมมาค้าขายปัญญาการเล่นรู้เรื่องต่างต่าปัญญาอการเป็นอยู่เอาตัวหลอดหนี่งแต่ว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าน่ะปัญญาสัมมาทิฐิเนี่ยคือปัญญาอย่าง น, นี่แหละให้ศึกษาบ้างบ้างให้พิจารณาอย่างะแต่หลักเบื้องต้นกับเพื่นไว้ให้เห็นให้ลูกตามความเป็นจริงเฮียนชีวิตของเจาของเฮียนเรื่องชีวิตของเจาของให้ลูกตามความเป็นจริงเข้าเกิดมาจากใสเป็นอย่างเข้ า, ยงงขานนยอย่างไงคือมาปานนี้เป็นอย่างเข้าอย่างแกเป็นอย่างเข้าอย่างเก็บเป็นอย่างเข้าย่างตายอันนี้ชีวิตของมนุษย์ใช่ไหม เกิดมาแล้วเป็นหนึ่งสี่ใช่ไหมบ่ ม, มีผู้ใดปฏิเสธนี่แหละความเป็นจริงนล้วนะบานเนี้เมื่อพี่เห็นตามความเป็นจริงเสียใจของเฮ้าหรือบ้านคือตัวผู้หลูน่า ม, ม า, ทาทําเฮ้าจะคดจังไรบา้านเนี้ยมันเป็นอยงสัตว์เฮ้าจะเอาพิษแพ่งปรัปรปุงแก้ไขใจจังไรบานเนี่ยให้จึ๊จะ จ, ะจะให้ลูกตามความเป็นจริงให้รับสภาพตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆขึ้นมาใดนะนี่แหละ ต้องวิีคอแหละแต่เนี่ยต้องใช้ปัญญายอย่างละเอียดอย่างลึกซึ่งอย่างย่าวน่านก็ว่าได้ว่าโนไปแต่บางข้นบางขันเพิ่นกับพิจารณามีบุญบรมีเก่ามา ก, ก่อนเน่ะเป็นพิจารณาเป็นกับปอยว่างใดตัดชั่วจบไปเลยไปหายหนุ่เงเนืงบุญว่ายัง่าง ต, ตัดมันถึงเลยมันก็มันก็เป็นเงินสันพิจารณาย่ำเลยมันก็เป็นเงินสันก็บอเห็นมีสาระอย่าง ตัดนะเนี่ยปนก็นตัดในใจของปนนั่นแนหะการตัดการปล่อยการว่างในใจของปนนั่นจุดนั่นแหละจุดที่บ่ล่มมาสุขจะเกิดขึ้นมานละไปนีนอหูจักสาระชีวิตของเจ้าของระบาดเนี่ยขันห่าว่าพิจารณาตามเรื่องรอยล่มของเรื่องเจ้าของอยู่มันจะบ่มีที่สิ้นสุดพันละไปอบ่มีที่สิ้นชุดจริงๆโลกมันนะ คนคว้าหาจากไหนมันก็นหาหาที่สิ้นสุดบ่ได้ เ, <อ>เพราะว่ามันมมีสาระอย่างทีว่าเนเออสาระของชีวิตที่แท้จริงนั่นคืออะไร<อ>ว่าไหนพวกเข้าคนคว้าบังนะตามแนวแถวของพรพุทธศาสนาผู้ที่จะคนคว้าหาสาระชีวิตของมนุษย์หรือว่าหาสาระชีวิตของตัวเองเนี่ย ต้องคนกว่าตามหลักของพุธธทธทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคนไปใช้คนเของมห า, หาใจใจนี่แหละต้นปัญหาหน้มามันถ้ำแต่เป็นจริงที่ลึกลับนะมันมองบ่เห็นโดยตาเนื้อแต่ไม่ความรู้สึกอยู่ น, นั่นแ่ะตัวนั้นแหะเป็นตัวที่พระพุทธเจ้าสนใจมากเลยวันไปถ้าว่าเป็นถ้าว่าเป็นไอ้คนธรรมดาแบบโลกๆขูมือเนี่ก็นั้นแหะ ไอ้อย่างอเมริกาคนหาไอ้ที่เราที่เขาเป็นต้นต่อระเบิดไอ้เอวันเทิร์นวันเถกวันเ ท, นเ ท, นเท็นั่นน่ะเออคนหาปั่นนัน่นว่าพูดไอ้เจ้าคนหาใจนั่นไปคนหาคักปันนั่นแล้วเอาไปเนี่ยค่นว่าเบิง้งขั้นคนหาเราหูแจ้งเห็นจริงระบาดนั่นละ่ะปล่อยมองหันว่างมองหันเมื่อเกเรตราคาโทษสาโมหะเราไป โบลมมาุขเกิดยู่วโงหันมาไปนั่นแหละสาระของชีวิตที่แท้จริงคือความบริสุทธิ์ลุดพ้นจากกิเลสการทอาวายูในปตัตต บ, บุของกิเลสอยู่นั่นยังหาบบเจอร์เอาลับพอรอนโมทนาให้พรวันนี้ให้แนวความคิดสำหรับพัวเข้าทุกทุกท่าน